ลุงงลงวีสูนผมเอาไหมลงเลยไไดอลไปได้บอโอ้ยม oh ัาไหมลงโอ้ยมมาไลงไปแหนกูไแมาดิมาดิมาดิทางเเเดเ ทำไมทำแบบนี้ล่ะขับรถเรยบๆนีงอนเลยอ๋อไม่โอ๊ยแต่เราบ้านกูต้องเจออะไรวะอีกแล้วครับกูไม่รู้ว่าใครหน้าไหนนะครับที่มันมาทำแบบนี้ที่ร้านกูอีกนะครับมาดูดูเนี่ยเอาอีกแล้ว แล้วมันใครอ๋มันจัดงานสบอยู่หน้าร้านกูเนี่ยใครเนี่ยโอ๊ยแต่แล้ว่ากูต้องเจออะไรวะใช่ไหมโหัวสุดชื่นไปอ่ะ ใช่ไหมใครหัตรรตวตะลีภาคใต้สวนที่สุแล้วอันอยู้ทำไปคํคำวันเลยเออเออสภาพวกับเทิดไหมคมึง น, นอนกินน้ำตะลีด้วยล่ะใช่ใช่ผมจุกมกอตะลีก็ไป็นเชื้อวันเยอะราคาลีบีอาขับเลยของกินก็เยอะแต่พ่อภ้มีแฟนมีมตองเยวไม่ว่าตะลีบ้านเรายพนันเราพูนเล่นอะไรแต่พาอเอผมไม่อย่อ า, ย า, า, างไรตรงนี้เอก็เอาอยอันเดไปเจอตะลีตะลบ้านผมอ่ะไปชมู อ็ไม่ไม้ที่นี่ผมก็เลยทนันนี้แขกที่มึงก็เอาเปรียบคนดูเพราะมึงเนี่ยเป็นเฮียแคชี่บอกว่าอย่างเอ็นไดมอนไปตัเลซึ่งเราไปถ้ารวิธีนี้นะใช่ทาน ล, ลุงไม่มาเราก็เห็นชัดคิดว่าเป็นตัเลนแต่คนลุงนั้นเองเอาเปรียบคนดูเกินไปเอาแต่อาไปทางเลแล้วมันกิมพ์ติบมันไม่มีไที่ตะเลเลยมสวยแข่ง ก, กันเล่นแบบนี้มันเอาเปรียบคนดูมันง่ายเกินไปมันไม่ลงคน ขาทีพาดีเาจะไปขาไปมากใครก็เลิใครตอนนี้หมดแม่อะเ็จะพาไปร้าหมอนี่ไม่ปวดทุบไม่ป่ให้ปวดไปทำให้ยังไงไปหาหมอเฟสเชว์เอาอ่าหัวเป็นเฟสเชว์นี่ไปหาหมอรำบัวรแไปหาหมอลํานีไ้ที่ไหนที่ไหนนี่2เมษายน2หน้า يونيو 2เมษายนนี้แหละครับนี่ทาแรกในประเทศไทยละหาได้ในจังหวัดเพชรบูรีนี่เด่นใจคงสามารถจงรู้สมาร เท้าพาวแสงทองแพาวสงยองแท้พาวแสงทองแ่พ่าวเสงยองแสงองยองแสงทองแสงยองแสงทองทองแสงยองพ่อมันมีแสงยอแสงทองเออโอเคครับแก้ไอันี่ะสีกันมีสีสีจันมีสีสีกันมีสีมีจันสีกันมีสีสีจันมีสีสีจันมีสีเออ บัวแหวนน้ำโสหัวฟานชางชูเออเพียงน้าไ ม, ไม่ทำตหนอเมยม่ทำ่เมย์นายเลยกทีลเลยนะอุ้ยห้าเบอร์ห้าเบอร์นะวันที่สเม ษ, ษายนนะครับไปหาบอสเซซิโอยูทาขึ้นเขาคอตรงน้งวนะฮะตรงข้าวับชางขึ้นเขาคอตรงน้ำงวรีบเลยนะครับวนเริ่มหนึ่งุงตรงร้าน้านี่ร้านค้าร้าน้านี่นะร้านค้านั้นจ้ อีแค่สอล้านจริงๆริยมันเต็มนแหะแต่ว่ารับอีกสล้านนะครับรีบมาสองเมษายนไปหาหมอแตงกวาปะคู่ไปเล่นกันต่อค่ะสองเมษายนไปหาหมอเพชรที่มาที่อำเภอป้าตําลูกอำเภอท่อมไต้ฮนะ อ, อ สองทันวายุนไม่ใช่สงทันวาพระอำนาจผู้ที่ช่วยของเมตไยอนองเมตยอนหายามอแพทสตวเกอรไหาหมอเฟติเกเตุลจบอ่เออเออไปอนไปดิจาวบินสุบส